จิตที่เกาะชพราะความพึ่งตนเองไม่ได้ต้องชอบเกาะเสมอการชอบเกาะหรือการแสวงหาสิ่งที่เกาะนั่นก็เพื่อหาความปลอดภัยหาความสะดวกสบายสำหรับตนแต่การเกาะของจิต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 ทำไมจิตจึงต้องไปเกาะเพราะเป็นความติดใจของจิตโดยที่จิตเองก็ไม่รู้ว่าการเกาะนั้นตนเองก็อยากจะแยกตัวออกไปแต่มันแยกไม่ได้สิ่งที่เหนือจิตยังไมถจึงจำเป็นต้องในเกาะได้ยึดได้เป็นอารมณ์ให้เกิดความขุ่นมัวแก่ตนอยู่เสมอ นี่เราพูดถึงเรื่องอารมณ์ถึงเรื่องวัตถุของมีอะไรก็ต้องเกาะที่นั่นยึดอันนั้นจนได้ไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่ส่วนมีคุณค่าราคามากน้อยเพียงไรมันยึดมันถือได้ทั้งนั้นจิตนี้เป็นนักยึดนักเกาะไม่สามารถที่จะเพิ่งตนเองได้จึงต้องอาศัยสิ่งภายนอกอดีไม่ดีอาศัยสิ่งภายนอกเป็นอำนาจก็นีทั้งที่ไม่ใช่อำนาจ ไม่ใช่ไม่ถูกทางแต่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอัตตาหิปนนาโถนี่เรียกว่าพยายามแก้ไขความเกาะเกี่ยวของจิตที่หวังพึ่งพิงสิ่งต่างๆหรือวัตถุต่างๆนั้นให้เข้าหันเข้ามาพึ่งตนเองบ้าง ห, นหินอาศัยพ่ออาศัยแม่อาศัยเปลือนฟูงอาศัยคล้ายๆเขาต่าง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 พึ่งสิ่งนั้นก็พึ่งมาพอสมควรสิ่งนั้นก็พึ่งอสิ่งนี้ก็ให้พึ่งทิ้นพยายามอบรมทางด้านจิตตะคอนนาสอนให้พึ่งตัวเองโดยอาศัยธรรมะบทอันนั้นเข้ามาเป็นเครื่องกำกับใจให้อาศัยพึ่งทำนั้นก่อนก่อนที่ตนยังไม่สามารถพึ่งตนเองได้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 ที่จิตยังฟุ้งซ่านยังหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เป็นตัวของตัวไม่ได้ก็ต้องอาศัยบทธรรมกำกับรักษาจนกระทั่งจิตมีความกลมกลนกืนกันกับบทธรรมนั้นๆแล้วหดตัวเข้ามาสู่ความสงบแม้บทธรรมที่เคยอาศัยมาแต่ก่อนก็เลยหมดปัญหาไปในขณะที่ใจของตนกล้าเข้าสู่ความสงบที่เรียกว่า พึ่งตัวเดงได้แล้วในขนาดนั้นทาบทไดทั้งหมดไม่จำเป็นในขณาที่จิตมีความสงบอยู่ด้วยดีนี่เป็นเป็นละเป็นที่พึ่งอันหนึ่งของจิตเพียงเท่านี้ก็มีความร่มเย็นภานในจิตใจของเราเพราะจิตใจตามธรรมดาแล้วไม่เคยร่มเย็น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 ในวิธีที่ถูกต้องตลอดทั้งผลที่ได้รับแล้วเป็นที่พึนพอพระทยัยที่แนะนำนั้นมาสอนพวกเราให้พึ่งตนเองการบำเพ็ญจิตตภาวนาเป็นทางตรงแนวแต่ต่อการพึ่งตนเองได้อย่างมั่นคงจิตผู้ใดมีความสงบมีหลักมีเกณฑ์มากน้อยเพียงใดจะ เป็นความแน่ใจและมั่นใจตนเองขึ้นไปโดยลาดับคือไม่ต้องถามใครรู้อยู่ภายในตัวเองที่เรียกว่าปัจจตังหรือสันทิติโกสันทิติโ ก, ส, โกสิ่งที่รู้ที่เห็นดีชั่วควรแก้ควรถอดควรถอนควรบาเพ็ญให้ปรากฏขึ้นภายในติดใจแน่หนามันกลมขึ้นโดยลาดับก็ทราบ เพียงขั้นสมาธิก็พอเป็นหลักใจพอเป็นเรือนใจได้ให้มีความร่มเย็นในขณะที่เราคิดอะไรมากมายกระกองเน่าย้อนเข้ามาสู่คิดตะพรวนาใจพักจากอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเสียเข้าเป็นความสงบร่มเย็นนี่เชื่อเข้าหาที่พึ่งของหาที่อาศัยอันร่มเย็นนี่เป็นที่พึ่งขั้น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 เลยนั่นไปไม่ได้เป็นอัปปนาดูแค่นั้นถ้าไม่ใช้สติปัญญาพิณิพิจ น, นาแล้วจิตจะมีความละเอียดอยู่ในขั้นสมาธิโดยไม่มีปัญญาเป็นเครื่องถอดถอนที่ละเอียดใดๆเลยถ้าเป็นต้นไม้ก็เพียงตัดกิ่งก้านของมันออกแต่ต้นของมันยังไม่ตัดหลักแก่หลักวัวก็ยังไม่ตัดแล้วมันก็แตก ออกมาอีกงอกออกมาอีกจนได้ท่านเึงเสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมใส่ตรองไปเท่าไหร่ก็ไม่มีสิ้นสุดเมื่อละเอียดกว่าปัญญาไปแล้วท่านก็เรียกว่าญาณไปแล้วดังที่ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับโพ ธ, ธนสูตร ปัญญาอุานิวิชาอุธรปานอโลโกอุดรานี่ง า, านงานอุดรปานนนี่ยตงวัวิชากับวิชาสามเนี่ยปัญญาอุดปานนีปัญญาเกิดขึ้นเ น, นี่ยงานอุดรานนมีความละเอียดเข้าไปเป็นลำดับ ๆ, ๆเกิดขึ้นจากใจอันเดียวนนปัญญาเป็นเครื่องถอดเครื่องถอนที่เล็ก ที่ปกครองตนเองสมาธิเป็นแตเพียงว่าทำกิเลสกวาดต้อมกิเลสเข้ามาให้รวมตัวอยู่ภานใน จ, ใจิตใจเป็นการเป็นเวลาแต่อุปทานของจิตที่มีเกี่ยวกับสิ่งต่างๆนั้นยังไมีหากเบาบางลงไปพอจิตได้รับความสงบร่มเย็นบ้างเท่านั้นปัญญาจะเป็นสิ่งที่ฟาดฟันนึอถอดถอนสิ่งต่างๆบรรดาที่เป็นกิเลส มากน้อยออกได้เป็นลำดับลาดับสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาปราโหติมหานิสั่งซ้านะสมาปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากในต่อการในการพิจรารณามีผลมากคล่องแคล่วแกล้กลาสามารถตัดกิเลสได้โดยลำดับลาดับ ปัญญาปิิภาวิตังจิตตังสัมมะเดวะอาเวหิมุจจะติจิตที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นโดยกิเลสทั้งปวงโดยชอบนานตั้งปัญญาเท่านั้นเป็นผู้สามารถที่จะถอดถอนกิเลสไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอันไหนที่จะเหนือปัญญาไปได้ไปได้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 การรับทานอาหารเพื่อบํารุงร่างกายก็เสียสมบัติเสียอาหารการกินปเปล่าๆเสียเงินเสียทองเสียเสื้อห า, อ า, านาท่ารก็ไม่ถูกเสียไปก็เพื่อบํารุงร่างกายเราให้มีกําลังควรแก่หน้าที่การงานต่อไปอีกเราพักผ่อนนอนหลับถึงจะเสียเวลาไปก็เพื่อกําลังบังชาส่วนร่างกายเราที่จะควนต่อหน้าที่การงานต่อไปอีกนั่นเพราะฉะนั้นเสียเวลาก็ดี เสียวัตถุอะไรก็ดีที่เรานำมารับทานยวยาทักขันก็มีกำลังนั้นจึงไม่ใช่เป็นการเสียเรียกว่าเติมน้ำมันถ้าเป็นรดก็เลยว่าเติมน้ำมันไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ออกวิ่งไม่ได้ตัญญา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 โดยลำหนักนั้นท่านเรียกว่าชอบปัญญาโดยชอบแล้วไม่จําเป็นจะต้องไปอ่านตามตำรับตำลามาได้มาจากตำลับตํารามาแก้กิเลสทุกประเภทถึงจะเป็นธรรมเพราะในตํารานั้นก็ถอดออกมาจากจิตใจซึ่งเป็นธรรมซึ่งเป็นผู้ทำเป็นผู้ ถ, ถอดถอนกิเลสได้เห็นผลประจักษ์แล้วจึงได้เขียนลงในตําลานั้นไม่ใช่ตำลานที่เกิดก่อนความจริงคือการปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านบําเพ็ญ พระองค์แรกไม่ปรากฏว่ามีตำราที่ไหนเวลาสั่งสอนสาวกหรือเวนายสัตว์ทั้งก็เหมือนกันไม่ได้จารึกลงในคัมภีร์ไบลาศสอนด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์เองสาวกก็สอนด้วยปากทั้งนั้นเอาอะไรมาสอนก็เอามาจากความจริงที่มีอยู่ภายใา จ, จิตใจซึ่งได้รู้ได้เห็นจากการประเวทแล้วนี้ไปสอนนะเพราะฉะนั้นอุบายของสติปัญญาจึงสาคัญอยู่ที่ผู้คิดผู้พิจารณาจะ แยกแย่ออกมาใช้ในตัวเองตามจิตกําลังความสามารถของแต่ละรายละหลายไปไม่สิ้นสุดหรือไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเอาตามตําหรับตำรามาเสียทุกแง่ทุกมุมจึงจะเป็นธรรมเราคิดขึ้นโดยลาําทังไม่เป็นธรรมไม่สามารถแก้กิเลสได้นี่เป็นความเห็ผิดของเราท่านแสดงไว้ตามตําหับตํารานั้นมีเพียงพอประมาณเท่านั้นไม่ได้มากเลย ถ้าเป็นญาก็เป็นยาม้อใหญ่ไม่ใช่เป็นญญาที่เจาะจงโรคนั้นโดยเฉพาะเฉพาะทีเราคิดค้นขึ้นมาให้เหมาะสมกับการแก้กิเลสแต่ละประเภทนี้เป็นยาที่เหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆที่จะถอดถอนโรคกิเลสประเภทนั้น น, นให้หมดไปโดยลำหนักเพราะฉะนั้นท่านผู้ปฏิบัติในทางปัญญายิงอยู่ที่ไหนท่านก็มีอัดมีทำมีทตติ ป, ปัญญาค้นคว้า อ, อยู่ตลอดเวลาดังที่ท่านอาจารย์มัน่นท่านแสดงว่า ฟังทำทั้งกลางวันกลางคืนนานอะไรก็สัมผัสอยู่ตลอดเวลาทางตาท้งหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสอยู่เรื่อยๆสัมผัสแล้วจะเมื่อไม่ขอไปรับทราบที่จิตให้จิตเป็นผู้รับทราบอะไรจะเผู้รับทราบการที่จิต ร, รับทราบก็กระเทือนทั้งสติปัญญาจะต้องค้นควา้าพิจารณาตามเหตุตามผลในสิ่งที่มาเกี่ยวข้องนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเมื่อทราบแล้วก็ถอดถอนหรือปล่อยวางกันไปได้โดยลำดับนี่ท่านเรียกว่าฟังทำทั้งกลางวันกลางคืนคือทําในหลักธรรมชาติ ที่มีอยู่ดั้งเดิมกิเลส ก, ก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ภายในจิตธรรมะชัตศีลสมาธิปัญญาก็เป็นหลักธรรมชาติที่มีอยู่ภายในใจิตใจสุดแล้วแต่ผู้ที่จะผลิตค้นขึ้นมาคิดพิพจารณาใช้ประโยชน์ตามส ต, ติกําลังของสมาธิแห่งเครื่องมือนั้นๆคือส ต, ติปัญญาเป็นเครื่องมือธาตุขันนี่ฟังว่าธาตุมาขันทศกุมกาย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 แลาไม่รู้ก็เอาด้วยยึดด้วยเนี่ยสิ่งภายนอกเรายังไม่รู้เรายังไม่กล้าเอารู้ว่าไม่ดีแล้วเราก็ไม่กล้าเอาอันนี้ดีไม่ดีเอาทั้งหมดจะว่างไหมตอนนี้ทิตอนเราโงต่ต่อเราตาเนื้อก็เห็นอยู่ร่างกายเป็นอย่าง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 มันจะกล้าเข้าสู่ความแตกสลายทําลายของมันลงสู่ธาตุเดิมเท่านั้นไม่มีไม่เป็นอย่างอื่นพิจารณาให้มันซึ้งตามความจริงอังนนี้เมื่อมันซึ้งตามความจริงนี้อย่างหาที่ค้านตนเองไม่ได้แล้วเรื่องอุปทานความยึมมัน่นถือมั่นในสิ่งนี้มันจะถอนตัวทันทีเมื่อยังไม่ซึ้งพิจารณาให้ซึ้งให้ชัดเจนด้วยปัญญาของเราปัญญานี้ไม่มีใครบอกปัญญาที่จะซึ้งในภายในร่างกายซึ่งมีอยู่กับตัวนี้ เป็นสิ่งที่เราพิจารณาเองรู้เองมากน้อยเราต้องพิจารณาเองเข้าใจเองเมื่อเข้าใจเต็มภูมิก็ปล่อยเต็มที่ mm. เราเป็นคนถือเองคนอื่นจะปล่อยวางให้เราไม่ได้เราต้องพิจารณาเพื่อปล่อยวางเราเองอเห็นว่าเป็นสิ่งที่อาศัยเพียงเท่านั้นจะเห็นว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยความโง่เขลาบ่บรรดาของเรา เจ้ก่อความทุกข์ให้แกเราไม่มีสิ้นสุดยิ่งในวาสุดท้ายอันนี้จะแตกจะสลายจะเกิดความเสียดายเกิดความหหวงความใหความรักความสงวนแล้วยิ่งจะปลายใหญ่น응ทั้งๆที่มันไม่ไม่มีอะไรที่ให้ให้รักให้เสียดายไม่ต้องว่าน่ารักแหละไม่มีอะไรให้ให้รักให้เสียดายเลยมีแต่สิ่งที่จะแตกจะสลายถ่ายเดียวเท่านั้นนั่นเรายังจะฝืนอยู่หรือมันจะแตกมันจะสลายตามการเวลาของหมัน อย่างไม่มีที่แย้งนี่เป็นความจริงเราฝืนความจริงวไม่อยากให้มันแตกไม่อยางมันดับยังรักยังสงวนอยู่อย่างนี้มันฝืนฝืนความจริงความฝืนความจริงนี้จะต้องก่อทุกข์ให้เรามากมากการควองดีไม่ดีไม่ได้สติสตังในขณะนั้นซะด้วยนี่เหล่านี้เป็นเพราโทษแห่งความฝืนความจริงทั้งนัน้ปัญญายังต้องพิจารณาให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่าง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 แต่ความรู้ตามความจริงเป็นอย่างหนึ่งความรู้ด้วยความเพื่อความยึดถือเป็นอีกอย่างหนึ่งอันนั้นเป็นไผ่เห็นเราเข้าใจเอาไว้ขอพิจารณาทุกขั้นทุกภู้แล้วอาศัยสิ่งเหล่านี้อาศัยสิ่งต่างๆใจเราไม่เป็นตัวของตัวมันจึงมีความเดือดร้อนไม่แน่ใจเพออันนั้นเองเราเราก็เองพอสิ่งนี้เอียงเราก็เอียงสิ่งนั้นล้มเราก็ล้ม พออาศัยเขาเนี่ยเขาพะเอียงก็เอียงเขาพะล้มก็ล้มเขาพะตั้งอยู่ก็ก็พอตั้งได้บ้างแต่มันไม่ยอมตั้งนั่นถึงเขาตั้งอยู่ยังไม่ตายเราก็ยังเดือดร้อนน่ะเนี่ยหันใจต้องพิจารณาให้เห็นชัดด้วยปัญญาของเราเป็นสิ่งเพียงเครื่องอาศัยเท่านั้นวันเวลานาทีกินเข้าไปโดยลำดับถัดถ้าเราเห็นความ กัดความกินความแทะของวันเวลาของการของธรรมชาติทั้งมันที่มันสึกมันกร่อนไปโดยลำดับแล้วมันก็เหมือนกับสุนนักทึ้งเนื้อต่างๆนั่นเอยไม่ผิดอะไรทึ้งอยู่ตลอดเวลากัดแทะทึ้งอยู่อย่างนั้นจนกรทั่งหมดไม่มีอะไรที่จะกัดจะแทะอันนี้ก็เอากันอยู่งนั้นอ่ะสนลายไปโดยลําดับๆจนกระทั่งถึงความจริงของมัน อูกับเราก็ตามนั่งอยู่ยืนอ ย, ยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ตามรับชนิดไปก็ตามอันมันกัดมันแท้มันถึง้งคือเวลาเลาความสลายความหมดไปหมดไปนั่นมันกัดมันแท้มันทึงอยู่เสมอแต่เรายังจะแย่งเขาไม่ให้เป็นไปอย่างนั้นได้เลยแย่งไม่ได้อั น, นั้นเป็นกติธรรมดาเป็นเรื่องใหญ่โตมากความสําคัญนั่นเหล่านี้เป็นเป็นเรื่องผิดความผิดมันจึงแย่งความถูกไปไม่ได้นั่นเป็นความถูกต้อง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 แสดงอาการขึ้นมาอย่างไรก็ให้เป็นทุกเวทนามมันก็เผาเขากับส่วนร่างกายนี้อ่าร่างกายนี้ก็ค่อยกรอบค่อยเตรียมลงไปโดยลาดับลําดับแตกสลายลงไปอ่าจิตใจมีสติปัญญารอบตัวแล้วไม่แตกไม่ดับไม่ติเป็นตัวของตัวโดยตรงพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งสิ่งเหล่านี้แสนสมบ การพิจารณาภาวนามีความสำคัญอย่างนี้มีคุณค่าต่อจิตใจอย่างนี้นักปราชญ์ท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงต้องสอนลงเนื่องสติ ป, ปัญญานี่เป็นสำคัญเพื่อนำกิจฉุดล่ากิจออกมาจากกองเพลิงให้พ้นจากภัยไตศาสนาพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนแบบเดียวกัน เพราะธรรมชาติเหล่านี้มีแบบเดียวกันที่เหลือแบบเดียวกันไม่มีองค์ใดที่จะสอนแต่ให้แยกไปจากนี่เลยต้องสอนแบบเดียวกันการทูดปฏิบัติเพื่อสะท้ อ, อนสะทอนที่เหลือมากน้อยออกจากใจก็ต้องแบบเดียวกันคือตามหลักที่ท่านสอนไหมดําเนินตามแบบนั้นถ้าผิดจากแบบนั้นแล้วที่เหลือก็หัวเราะ เอาแล้วพิจา็นาให้ไม่ว่ากว้างม่ า, มาแคบเอาทั้งโลกกับฐานี้จิตจะหวังพึ่งอะไรพอปลอดภัยเ<ม>พราะคำว่าพึ่งฟังให้ดีแม้แต่สิ่งที่ติดแน่กับตัวของเราเนี้มันยังไม่ปลอดภัยแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรที่นอกกระจากร่างกายของเรานี้จึงจะปลอดภัยหาไม่เจอเลย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 ศีลสมาที่ปัญญาเป็นเครื่องหนึ่งแก้กิเลสพอกิเลสสิ้นไปแล้วอ น, นี้ก็หมดความหมายไปกับใจเอเวลามีชีวิตอยู่ที่นำมาใช้ก็ใช้เพื่อโลภปพื่องทสะไปตามสมมติเท่านั้นไม่ได้ใช้มาแก้กิเลสแต่อย่างใดอีกต่อไปยิ่งวรนสุดท้ายที่จะผ่านธาตุฐางขันธ์ด้วยแล้วก็ยิ่งไม่มีอะไรเลยสติปัญญาก็เกีเ่ยกวกอบไม่มีปัญหาธาตุขันธ์ก็มีปัญหา พอหมดปัญหาภายในใจิตใจแล้วอะไรก็หมดปัญหาไปโดยสิ้นเชิงกล้าเข้าสู่ความหมดปัญหาเช่มันก็หมดต่างหมดถ้ายังมีปัญหาอยู่มันปัญหาฟัางท้าว่าปัญหาเรื่องความทุกข์ความลําบากความเกิดใจาเจะตายมันก็ตามกันไปนั่นแหละคําว่าปัญหาพอสิ้นปัญหาแล้วก็สิ้นโดยประการทั้งปวงที่จะนาให้รู้ สิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มีอยู่กับกายกับใจของเราแยกแยกให้ได้ด้วยอํานาจของสติปัญญาพิจารณาวันหนึ่งวันหนึ่งอย่านอนใจสติปัญญาเอามาหุงต้มกินไม่ได้ได้เฉพาะเอามาแก้กที่เละถ้าเราจะกรีดอามาใช้ในการแก้กที่เละแก้ได้วันย่างคําถ้าจะพานนอนจมกับจมันอยู่นั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรผลที่สุดปัญญากรรมสาวอยู่ที่ไหน เวลาจนกรเป็นมุมก็เอาหัวชนฝาใช่ไม่ได้เลยเราไม่ใช่ลูกศิษย์ตถาคตผู้เอาหัวชนฝาพระพุทธเจ้ า, า, าไม่ได้ผู้เอาหัวชนฝาอืสังฆังกนกังกระฉามที่เรานับถือก็ไม่ใช่ท่านผู้เอาหัวชนฝามาไงเราจะไปหัวชนฝาเมื่อมีทางพอจะปลีกตัวออกได้ด้วยอุบายใดก็ต้องพยายามจนหมดความสามารถของเรา หมุมหมดจมสามารถแล้วก็สุดวิสัยเอาอยู่ไปถึงท่านใดพุนใ ด, ดก็อยู่ต่างๆเพอะมันสุดวิสัยทีทําเมื่อยังไม่สุดวิสัยเอาพยายามตะเกียบตะกายเสือกคานไปให้ได้การมาล่มจมในวัฏฏะล้งสารนี่มันก็เหมือนเนื้อล่มอะไรก็ล่มไปด้วยกันหมดระหว่างเรือก็ล่มก็จมวัตถุสิ่งของต่างๆที่อยู่ในเรือก็จมคนก็ตาย เรามาล่มจมกับธาตุกับขันด้วยความรุ่งความหลงธาตุขันก็ล่มไปตามสภาพของเขาอจิตใจของเราก็ล่มก็จมไปด้วยอืมันดีแล้วเหรอความล่มความจมไม่ใช่เป็นของดีจิตใจล่มจมเป็นพราะความลุ่งหลงบีบบังคับให้จมดิ่งลงไปมันก็ไม่ใช่ของดีเพราะอันต้องเอาให้เลียดนอดโดยลําดับพิจารณาให้เห็นความจริงของเฉพาะอย่างยิ่งของทุกขเวทนา ที่มันมีอยู่ในกายในยจิตเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในกายนี่แหละสาคัญมากมันเข้าไปยึดกลายเป็นเรื่องในจิตเข้าไปดูให้เห็นชัดเจนตามหลักความจริงที่ว่าอาการห้าให้ทราบอาการห้าไม่ใช่เรารูปเวทนาปัญญาตังขันมิญยานเป็นอาการหนึ่งหนึ่งที่อาศัยกันอยู่ในธาตุนิขันนี้เท่านั้นจิตเป็นอันหนึ่งต่างหากแยกแยกกันให้ได้ด้วยสติปัญญาของตนจะเป็นผู้พ้นไถ่ตายก็ตายไปเถอะ โลกตายได้ทั้งนั้นเรื่องของตายมันจะให้มันเป็นได้อย่างไงถึงข่าวมันตายมันต้องตายถึงวาลาแล้วใครห้ามไม่ได้แม้จะพระาอารหันต์ท่านก็ต้องตายจะผิดกันกับว่าท่านตายอย่างแบบหายห่วงหายห่วงแต่ยังไม่ตายแต่เราเนี่ห่วงอยู่ทั้งๆที่ยังไม่ตายก็ห่วงก็ห่วงเวลาตายไปแล้วก็ยิงห่วงยิงห่วงไปใหญ่เลยเป็นไฟทั้งก่อนความห่วงในกายเป็นัยตัวตนเองอจะให้มันเป็นอย่างนั้นหายห่วงไปเลยฮะ ท่านได้เคยพูดเสมอกุศลธรรมมาสร้างให้พอความเฉลียวฉลาดให้เราล่ะกุศลาเราเองกุศลธรรมมาอากุศลธรรมมาอากุศลที่ตรงไหนที่มันโง่กําจัดมันออกไปด้วยกุศลคือความฉลาดคือสติปัญญาของเรานี่แหละท่านบยกว่าสวดกุศลธรรมมาให้ตัวเองพึ่งตัวเองต้องทําอย่างนี้พึ่งคนอื่นเมื่อตายแล้วพาไปกุศลธรรมายุ่งไปหมดเอ้ยไหนเอา กุศลารมไม้ตัวมันพอรอบครอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่จำเป็นมันต้องยุ่งเยิงวุ่นวายตายอย่างสุขโตเอาล ะ, ะแสดงเพียงเท่านี้